ปุ่นธรรม่ฟังสัหน่อยนะปนสามาไสปนนี้จะเป็นรั่งพระเรื่องพระลรเอีนทาการสบายนะการฟังธรรมะนั่งขาไหนสบายก็นั่ง จิตใจของตัวส้องยยนเกี่ยวกับเรื่องของท่านนาที่ของท่านจะพูดอะไรให้ฟังก่ <c oughs> เป็นเรื่องของท่านเราจะต้องสองรวมระวังใจของตัวให้สงบยิเ ร, ยร่การสังทาจะเกิดผลเกิดประโยชน์ในการสดับรับฟังนั้นอาศัยท่านผู้ฟัง ตั้งใจให้ถูกต้องคือเวลาฟังก็ไม่ต้องส่งจิตใจออกไปข้างนอกต้องรวมระวังรักษาอยู่ภายในคนจิตเคยบริกรรมอะไรก็บริกรรมอยู่นั้นคนจิตพิจารณาอะไรก็ตัง้งหน้าพิจารณาอยู่นั้นให้ถือว่าระยะเวลาที่ฟังทำนั้น เป็นโอกาสเวลาภาวนาในตัว <c oughs> ถ้าหากเราส่งจิตใจออกไปข้างนอกจิตก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบระงับเมื่อจิตไม่สงบความสุขความสบายมันก็ไม่เกิดขึ้นโดยมากเ ร, รารักษาจิตของเราไม่เป็นมันจึงไม่เย็นไม่สงบให้ไม่มีความสุขความสบายให้ ท่านท่ากายไม่มีโรคภัยอะไรรบ ก, กวน <c oughs> และการงานด้านนอกระยะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่เราก็ ไ, ไ้นำการงานอะไรมาทำพอที่จะไปคิดไปปรุงอย่างนั้นอย่างนี้รักษาจิตระงับใจเอาไว้แตตั้งใจกำหนดให้มันสงบ มันอยู่เพราะจิตมันเคยยุ่งๆยุ่งเกี่ยวมา <c oughs> ไม่มีเวลาสงบระงับคนเราสำคัญอยู่ที่จิตจิตเป็นตัวการสำคัญถ้าจิตไม่ดีจิตมีกิเลสตัญหา จิตเกิดโลภะโทสะโมหะหมักหมา ก, มากนันไม่มีความสุขความสบายให้เราจะอยู่ในอิริบยบนใดก็ตามถึงที่อยู่ที่อาศัยใหญ่โตสวยงามจิตใจ ก, ก็ไม่สุขไม่สบายให้พอมันคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้เรื่องของจิต ที่มีปัญหาความอยากมันใน ม, มีเมืองพอ <c oughs> ได้เท่าไรก็ยิ่งโหมลุกใหญ่เหมือนไฟให่เชือ้อมันในนี้วันสงบระงับให้ดังนั้นมันจึงไมมมีความสุขความสบายภายในใจถ้าเรารักษาใจของเราตัดอารมณ์สัญญาอาดีตอนาคตให้หมดไปไปปัจจุบัน ก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักของอัดของทรรมที่นิพพานหาทางละทางถอนความข้องจิตยึดถือต่างๆให้หมดออกไปตกออกไปจนใจที่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยเห็นไม่เคยรู้รสของธรรมมาก่อนเกิดขึ้นเป็นขึ้นสงบดิงลงสู่ เอกขาตารมคือจิตรวมองค์ตนหนึ่งเมื่อมันรวมลงไปได้ที่ของมันเรื่องถาดขันมันในมาดุงเกี่ยวไม่ว่าเรื่องโลกภายนอกเรื่องถาดขันของเราเองเช่นเรทนาสัญญาหรือ มันมีอยู่มันไม่มายุ่เกี่ยวอะไรหยู่เฉพาะเรื่องของมันเกิดอัศจรรย์ความเบาความสบายซึ่งไม่เคยพบเห็นเป็นมาก่อนเราจะอยู่ขนาดไหนถ้าใจไม่ถอนจากความสงบความเจ็บปวดนเหนื่อยเหนื่อยหิวต่างๆมันไม่มีขึ้นไม่เกิดขึ้น เพราะจิตมันม่มาด่งกับสัญญาอารมณ์ข้างนอกมันในเกี่ยวกับธาตุขันส่วนนี้นี่คือมันสงบรวมลงไปเป็นเอกขตตามีความสุขความสบายอัศจรย์ผิดแปลกแตกต่างมาก็นเชื่อมัน่นการทำแบบนี้ได้รับผลสุขสบายขนาดนี้ คนที่ท่านเห็นท่านเป็นในอดในธรรมท่านจึงไม่อดสยจย์เรื่องของโลกเขาจะร่ำรวยสวยงามอะไรก็ตามเรื่องของเขาคนเหล่านั้นถ้าไในฝึกอบรมใจแล้วจะมีความสุขอศัศจยรย์อย่างเราติดเคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกนี้ไม่มีในโลกนอกจากจะภาวนาละกิเลสเท่านั้นจึงจะเห็นจะเป็นอย่างนี้ ความขอใจความเป็นไปของใจความเห็นแจ่งของใจซึ่งไดไปสัมผัสในอจทำนั้นมันจะจำไม่ลืมมันจะเชื่อมัน่นอยากจะทาบาเพ็ญพอเห็นความสุขความสบายของนิรามิตรมันผิดแปลแตกต่างกับความสุขทางอาณิตรเพราะความสุขทางอาณิตร ทุกคนก็เคยผ่านมาสุกทางสมมติถุกทางวิมุต้ น, นต่างทาง่านต่างคนเคยประสบพบเห็นมาพะฝึกปฏิบัติประสบพบเห็นแล้วมันจึงประทับใจความสุขอันนี้เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่วิเศษประเสถ้าหากใครเห็นเป็นสิ่งในจิตในใจแล้ว มันจะสุขจะสะบายคนที่ไหนเห็นในคนคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นในใจของตัวมีเบื้องต้นที่นักปฏิบัติจะมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในการปฏิบัติกายใจของตัวถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ ยังเราดูหนังสือหรือได้ยินคนอื่นเขาเล่าเรื่องเหล่านั้นมันไม่ประทับใจเชื่อกว่าเชื่อไปอย่างงมงายพอทําไปนิดนิดหน่อยๆความเหน็ดเหนื่อยเหมือนหิ้วเกิดขึ้นก็สงสัยลังเลใจ่เราอาภับอาว่าแต่นะทำมาในเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้ความเชื่อความหลวมสายก่อยตกไปคลายไปเลยไปถือเรื่องวัตถุต่างๆ เราเคยดูเคยเห็นว่าเป็นของดีเพราะจิตไม่มี อ, อัตชัมเป็นที่อยู่ที่พักถ้าหากมันเห็นมันเป็นในจิตในใจแล้วถึงสิ่งนั้นจะไม่เกิดเห็นเป็นขึ้นอีกมันก็มีทางเชื่อในจิตในใจแล้วก็โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็มักเกิดปัญญาเน่สอนใจของตัว ว่าการเห็นการเป็นของเราเวลามันเห็นมันเป็นนั้นใครเล่เาเ้าออกมาให้เราทำอย่างไรจึงเกิดเห็นเป็นรู้อย่างนั้นเวลามันหายไปใครขโมยของเราไปมันกลอยจะคิดพิจราร่าเราต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาแต่ทำบำเพ็นตามแบบอย่างที่เคยทำมาเมื่อถึงระยะเวลาถึง มันจะเป็นมันก็เป็นลงไปอีกรวมมาไปอีกพอมันรวมมาไปได้ถอนขึ้นมาที่เจรนาอะไรที่เคยสงสัยขัดข้องในจิตในใจมันก็จะเกิดปัญญาตัดขาดอารมณ์สัญญาที่เคยเป็นปัญหาของใจต่างๆนี่คือปัญญาอาศัยสมาธิ เป็นพื้นฐานคือการสงบสงัดของใจโดยมากปัญญามันมีกันทุกคนแต่มันเป็นปัญญาทางโลกเป็นปัญญาทางสัญญาเสียคือจำมาสุตะมายปัญญาการฟังมาจำมาจินตามายปัญญาการคิดพิจรารณาไปละเอียดเข้าไปหน่อย ถ้าภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาการอบรมจิตใจของตนมันริงทันกับเรื่องกิเลสตัณหาความคิดความปรุงต่างๆนานาของจิตถ้าเราจะไปจำเอามาแก้ไขกิเลสตัณหาได้หรือคิดเอา ว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจะแก้ไขโดยวิธีนั้นกว่าจะคิดได้มันไม่ทันเหตุการณ์ของมันแต่ภาวนามยะปัญญาีิทันว่าเป็นปัญญาขั้นสูงนั้นพออะไรเกิดขึ้นมาปัญญาที่จะสังหารตัดฟันบั่นทอนปัญหานั้นมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยเร า, มาไม่เด เรียนมาจากที่ไหนไม่ได้คิดอะไรมันเกิดขึ้นกับใจเพราะผูกหลวงผูกคิดผููติดผู้ข้องกับเรื่องของใจปัญญาที่เราฝึกรักษาปฏิบนะัติภาวนามันก็เกิดขึ้นกับใจมันจริงทันเรื่องของมันมันเกิดขึ้นมาโดยอุบายใดปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาสังหารกันฟาดฟันกันบั่นทอนกัน ให้ปัญหานั้นตกออกไปนี่คือเรื่องภาวนามายปัญญาทุกคนมีโอกาสมีเวลาที่จะฝึกจะปฏิบัติอย่าไปคิดว่าอาภาพัพอับวาตนาทำมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกว่าสองพันสี่ร้อยห้าร้อยกว่าปีมาแล้วปูย <c oughs> ยาตาถวดของพวกเรา ก็เคยสดับรลกฟังมาตลอดปัจจุบันท่านตาก็ยังมีผู้ประพฤ่ปฏิบัติอยู่ทำธ น, นว่าเป็นเสื่องสราระกจิเิสทําจิตทําใจของผู้ประพื่ปฏิบัติให้พองใสให้สงบเย็นใจเราได้ยินแต่ชื่อข่าวข่าวของเรื่องเล่าต่างๆ ท่านเป็นโซดาบันสกิทาคาอนาคารหันพวกเราท่านเนี่ยสนใจเท่าที่ควรในเรื่องการประทัติปฏิบัติตัวองตัวถึงธรรมจะมีอยู่แต่ไม่นำมาพิณิพจารณาฝึกรักษากายใจก็เหมือน ก, นกันกับคนไข้ยามีอยู่แต่ไม่หามารับทานโรคภัยเบียดเบียนขนาดไหน ก็ไม่ได้สนใจในยาถ้าเป็นเช่นนั้นคนไข้ก็ไม่มีวันเวลาจะหายจะโรคไข้ไข่เจ็บไปได้ผลที่สุดก็จะต้องตายเพราะโรคไข้นั้นถ้าเขาสนใจในยาสิอย่างเกิดโรคไข้อะไรขึ้นมาก็เอายามารับทานจะแจกไข้โรคไข้ไข่เจ็บให้ตกไปคนนั้น ก็มีวันเดลาที่จะหายจากโรคภัยเมื่อโรคภัย ม, มีในกายเรจะประกอบติตการงานอะไรจะไปที่ไหนทําอะไรมันสะดวกจะเป็นคนหนุ่มคนแก่เป็นคารวะบรรณชิตเหมือนกันถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในกายแล้วถึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ มันก่าทำอะไรไม่ได้เพราะโรคไข่เบียดเบีย น, ยนกำลังทางกายในนี้อย่าเดินเหินไปมาที่ไหนก็ลำบากยิ่งไข่หนักเข้าไปยกแขนยกขาก็ไม่ขึ้นมันหนักไปหมดต้องอาศัายคนอื่นช่วยเหลือให้มันลำบากขนาดนั้นเพราะโรคไข่ เบียดเบียนกายโรคทางใจใดเจรโรคอารมณ์สัญญาสิเลตตัญหาก็ทำนองเดียวกันมันร้ายถ้าหากมันเบียดเบียนหนักเข้าเราจะอยู่สถ า, านที่ใดไม่มีความสุขความสบายให้เพราะจิตใจมันฟุ้งจิตใจมันเดือดร้อนฉะนั้นท่านจึงหารักษา โดยยาคือธรรมะรักษาใจของตัวเองกายพยายามวุ่นไว้รวิ่งเต้นหาส่วนหนึ่งส่วนหม่มส่วน อ, อยู่ส่วน อ, อาศัยอาหารการบริโภคมาให้แต่ใจนั้นมองข้ามโดยส่วนใหญ่มันมีอาหารอะไรมาให้ใจรับทานใจจึง ไม่มีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าท่านสอนในหัวกเราบำรุงเรื่องของใจเหมือนกันกับเรื่องของกายเพราะถ่ายใจไม่สบายถึงเข่าข้อเงินทองบานช่องจะมีมากมายกายกองขนาดไหนมันกับไม่เป็นสุขให้ถ่าใจสบายใจหยางพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้า แต่เก่าก่อนเคยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีข้าหาบอดีมีมากที่ออกบวนในศ า, ศาสนาตามประเด็จพระพุทธเจ้าพวกเหล่านั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาหายามาํำระใจแโกโรคภัยเคอกิเลสตัณหาตกลนออกไปหมดออกไปจนใจบริสุทธิ์ใจสะอาดใจฟ่องใสใจเยือกเย็นไม่มีเรือนมีภยัยรบควน ท่านอยู่ตามถ้มตามเขาท่านอยู่ตามบ่มไม้ไม่มีกติฤหารไม่มีบ้านช่องอาศัยแต่ท่านก็สะดวกสบายภายในใจของท่านสะดวกมากสบายมากไม่มีอะไรไปรบกวนทาง จ, จิตใจจนบางท่านบางองค์ไปอยู่ในสถาน ที่ต่างๆ ต, ตามหล่มไม้ทรายเขานีพระเจ้าพระสงฆ์มาฝ้องร้องท่านวะท่านเคยเปล่งอุทานของท่านสุกนน้อฝุ่นน้อยคือมันฝุกในใจของท่านแตวแต่ก่อนท่านเคยเป็นกษัตริย์มา ก, ก่อนพระผู้ทุชนธรร ม, มดาไปเห็นเขาพระว่าท่านระลึกนึกถึงอารมณ์เก่าคืออดีตเคยเป็นกษัตริย์เคยมีความสุข ความส บ, บายในภาษาลาสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูญณ์พูนสุขทั้งโลกท่านคงคิดนึกไปในอดีตท่านจึงพูดอย่างนั้นมาฟ้องพระพุทธเจ้าเนื้อเมื่อพระ อ, องค์ตัดเรียกตัวท่านองค์นั้นมาถามท่นมานไม่ดีมีอารมณ์ทัญญาส่วนนั้น ทันวายแต่เก่าแต่ก่อนใคยเป็นกษัตริย์คิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆทั้งๆ ท, ท, ที่ยศสกักใหญ่โตเป็นกษัตริย์ขนาดนั้นมันไม่มีวันฝุกวันสบายให้แต่พ่อมาบวชกะพริปฏิบัติละีิเลตันหาทิฏฐิมานะในใจตกออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันฝุกมันสบายมาก จึงในเป็นว่าสุกนอ้อสุกนอ้อคือสุกในใจซึ่งไม่เคยเห็นเคยเป็นมา ก, ก่อนเคยเสวยเคยบรรทมในสถานที่โอ้อ่างามตาแต่มาอยู่ป่านอนตามดินกินตามหญ้าจิตใจหมดที่เหลยอตันหาเท่านั้นมันสุกมันเประเอะ เริหอเป่งแบบสุกหนอสุกหนอมีพวกเราท่านยังไม่เคยไปสบพบเห็นในตัวของเราได้ยินแต่ข่าวคนอื่นเรื่องอื่นที่เขาเล่าท่านเล่าตามตำรับตำลาลความสุขความสงบของจิตของใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเชื่อหรือเชื่อมันก็ไม่ถึงใจเหมือนกันกับด้ข่าวมีเสือ มันดุร้ายแล้วเ่วนกัดคนตายอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินแต่ข่าวแต่เมเจอตัวของมันมันก็คิดเช่งแค่นั้นแหละถ้าตัวของเราไปประสบเองเขา้ามันเป็นอย่างไรมันก็จะต้องประทับใจว่ามันไล่จะการอย่างนั้นตะคุบอย่างนี้มันเห็นมันเข้าใจในตัวของตัวประทับใจว่านากกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ กิเลสตัณหาก็เหมือนเสือใหญ่เหมือนกันมันเคยกัดเคยกินของจิตใจของเรามาขนาดไหนเราไม่เคยเก็ดเคยลาบทุกข์จนร้องไห้หนาตาไหลมันก็เคยทุกข์เคยประสบมาแต่มันก็ไม่กลัวอย่างกิเลสตัณหาส่วนนั้นเพราใจของเรายังไม่เคยเห็นอกักธม เรียวคนถั่วโลกมันเป็นเหมือนกันกันกบเราเขายังอยู่ได้เราเราไปถือเอาคนที่ชั่วขี่เสียที่ไหนมีอาจมีทำเป็นพระวกเบนฝูงเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดอ่านที่จะแก้ไขจิตใจของตัวที่ชั่วขี่เสียให้ตกออกไปถ้ า, าเราคิดอ่านเข้าใจเคยสงบแั้วนะครับ รเราเพปฏิบัติเคยดับสัญญาอารมณ์ถึงความสงบจริงเย็นจริงสุขจริงใสจริงในจิตในใจแล้วพอทีรือปัญหามันเกิดขึ้นมันจะกลัวเหมือนกันกันกบเราพบเสือว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราลำบากจยากเย็นสะไหน จะ่นีให้มันพ้นเสือไปได้หรือตอไหนเราจะฆ่าเสือตัวนี้ให้ตายจะต้องหาอุบายพิธีขับไล่หรือหลีกไปหรือฆ่าเสือให้ได้นี่อุบายของท่านภาวนาที่ประสบพบทรรมกว่าทํานองนั้นท่านเห็นอารมณ์สัญญาที่เป็นกิเลสตัณหา ทางโลกเป็นเสือเป็นมานสำคัญเพราะสิ่งเหล่านั้นลบวนจิตใจไม่ให้เขาสู <c oughs> ความสงบเย็นให้ท่านจะต้องหลีกจากอารมณ์ทันยานั้นนั้นพอเกิดขึ้นถ้าดับไม่ได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงออกไป จากอารมณ์เหล่านั้นอุบายวิทีแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันแต่ความสุขความสงบมันเหมือนกันเราจะมีอุบายใดวิธีใดที่จะแก้ไขใจของเรานั้นมันไม่ใช่ครูอาจารย์ที่จะสอนให้มันเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนามันจึงละขาด หาเพียงจำมาจากสำหรับตำราหรือครู อ, อาจารย์สอนว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเมนื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราจะไปขว้างหาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ทันและแก้ไขไม่ได้เพราะมันเป็นสมบัติของตัวมันเป็นสมบัติของท่านที่ประพุะทธปฏิบัติมาแต่นั้นเรื่องธรรมะถึงใครจะภาวนาไปในแง่ไหนมุมใดกอดตามก็เพื่อความสงบ เรื่องปัญญาก็เผจะละกิเลสมันเหมือนกันหมดแต่หน้าที่การงานไม่เหมือนกันคนทําไร่ทํานาทําสวนคนเป็นกรรมกรคนเสด็จทำราชการความมุ่งของเขาก็มุ่งเงินเป็นส่วนตอบแทนนีการภาวนาจะทําแบบไหนอย่างไรก็ตามก็มุ่งความสงบมุ่งความละถอนกิเลส เหมือนกันหมดแต่นั้นเราอย่าไปสงสัยเราทําอะไรลงไปถ้าหากใจของเราสงบเย็นแล้วสิ่งนั้นถึงจะมีในสําหรับตาราครูอาจารย์สอนก่อตามหรือไม่มีก่อตามก็ได้ชื่อว่าเป็นอัตเป็นธรรมสาหรับใจของเราจะเป็นธรรมขั้นสูงขนาดไหนครูอาจารย์สรรเสริญเยนยอ โลกทั่วไปเ็าเลืม่มใสศรัทธาแต่เรามาทำแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้อันนั้นมันก็ไม่ถูกเฉพาะตัวของเราอะไรที่จะถูกในตัวของเราก็คือการทำของเรานั้นมันสงบมันเย็นลงไปมันสบายไปละถอนไปแก้ไขอารมณ์สัญญามานะทิฏฐิอริชาอุปาทาน ตกออกไปจากตัวได้ได้ชื่อว่ามันถูกยานั้นจะเป็นสมุนไพรหรือยาใ น, นห้างร้านต่างๆก่อตามถ้ามันถูกโรคถูกภัยแล้วก็ได้ชื่อว่ามันดีถ้ามันไม่ถูกโรคถูกภัยยานั้นจะมีคุณค่าราคาสูงขนาดไหนมาทานมาทาไปแล้วมันไม่หายให้มันก็ไม่็เกิดคุณค่าสรอะไร มีการปฏิบัติกายใจกับทานองเดียวกันตั้งหน้าสั่งตาปฏิบัติรักษาพอโอกาสเวลาที่เกิดเป็นมนุษย์มันแสนยากแล้วก็ ม, มีโอกาสเวลาที่จะอยู่ข้ามฟ้าต่างคนต่างจะตายโดยกันทั้งนั้นรีบเร่งกระทําบำเพ็ญําระจิตําระใจของตัวให้เย็น ในสุขอย่าไปสงสัยอะไรทางนั้นทาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์ถ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์สาวกของท่านก็เป็นมนุษย์ถ้าอาภาพัพอาวาสนาทําไมเลยเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรที่ผาดตกบกช้่องในตัวของเรานอกจากการระพึ่งปฏิบัติเท่านั้นมุ่งมัน่นกำหนด ม่งมุ่งมั่นทินิพพิจารณาตามอาจทำจริงจังมันในเหลือวสัยพอมักมีอำนาจมากกว่าเหลองของจิเลสสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้หายไปให้จิตใจสงบให้จิตใจเย็นเห็นรู้ในอาจในธรรมแจ่มแจ้งได้เหมือใจ มันเย็นมันถูกมันสบายแล้วมันไม่มีอะไรในโลกอันนี้ที่จะมาหยั่งยุให้เราลุ่มหลงให้เราเพลิดเพลินให้เรามัวเมาพรอโลกอันนี้มันเปิดเผืออยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่ใจของเราซึ่งไม่มีสติในนี้ปัญญามันจึงหลุมหลงเกาะเกี่ยวกับเขา ทั้งทั้งสิ่งเขาเหล่านั้นไม่เคยอยื่อยุอะไรแต่เราก็เป็นใจยึดมั่นว่าอันนั้นน่ารักอันนั้นน่ายินดีมันคิดไปคุ้ไปต่างๆนานาทั้งทั้งสิ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ทราบว่าวเราไปลุ่มหลงยุ่งเกี่ยวกับเขาใจเมื่อมันเป็นอาจเป็นธรรมจริงจังแล้ว เห็นอะไรมนะันก็เป็นอัจเป็นทำไปหมดอยู่สถานที่ใดก็เป็นอัดเป็นทำในสถานที่นั้นเป็นสุขคโตในหน่วยเวลาอยู่เป็นสุขโตในหน่วยเวลาไปอยู่สถานที่ดใดเนเป็นเวรเป็นภัยแก่ตัวของตัวแล้วคนอื่นสัตว์อื่นผู้นีอาจมีทำไม่เคยก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ใครอยู่สถานที่ใด เป็นสิริมงคลในที่นั้นฉะนั้นพวกเราท่านต่างคนกว่าต่างอยากมีความสงบเย็นใจกอจงตั้งหน้าตั้งตาภาวนารักษาใจของตัวพยายามบังคับอย่าให้มันลุ่มหลงไปตามีิเลตันหาอารมณ์ท่านยาต่างๆ ขอสําคัญสัญญาคือความหมายพ้องใจเป็นตัวสําคัญใหญ่ทั้งที่เลี้ยงมาแล้วไม่ทราบว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าิ่งเหล่านั้นไม่ดีเข้ามาทำมาพูดดูหิ่นนินทาเราไปนึกไปคิดไปหมั่นไปหมายวกว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แกเราเพียงเท่านั้นมันก็เดือดร้อนขึ้น นี่สัญญามันไปไหนสัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญทำจิตใจเราวกนักปฏิบัติให้วุ่นวายเดือดร้อนถ้าหากเรารู้เราข่อใจเรื่องสัญญามันเกิดพุทขึ้นมาฟวงขึ้นมาจากสังขารภายในเยิไหมายมันปั่นยอว่าอย่างนั้นอย่างนี้นีนน่มันเรื่องสัญญาเราเคยเชื่อ ตามมันมาไม่เคยเกิดสารประโยชน์อะไรถ้าหากเป็นสัญญาทางที่จะทำจิตใจให้สงบระงับมันไม่เป็นไรไม่เป็นภยัยเป็นเวรถ้าหากสัญญาไปในทางโลกทางสงสารทางกิเลสตัณหารีปัดมันเสียปล่อยมันเสียอย่าไปติดตามเรื่องของมันความจริงอะไรเกิดขึ้น มันก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราท่านไปมันไปหมายมันจริงยึดเอาไว้ถือเอาไว้ไงบางรูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสอารมณ์ดีชั่วผิดถูกต่างๆมันเกิดขึ้นมันตกไปแต่ใจมันไปหมายใจของท่านสี่ภาวานาละกิเลส มันไม่ได้ติดตามันเกิดขึ้นก็ทราบมันดับไปก็ทราบเรื่องของมันมันเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ในเมื่อเวลามันเกิดขึ้นเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับมันมันก็ดับลงไปเองไม่ได้ไปหมายมันปั่นยอมันไว้เหมือนกันกับเราเอาปากกาดินสอที่หนึ่งมีหมึกเขียนไปที่ไหนเขียนไปได้แต่มันไม่ติดกับกระดาษ พอเขียนจบหรอืออ่านไม่ได้มันหายไปหมดนี่พวกเราที่มีอุปท า, านในใจมันไม่เป็มอย่างนั้นเหมือนกันกันกบปากกาที่มีหมึกเขียนไปที่ไหนก็ติดไปที่นั้นลบล้างไม่ออกง่ายๆจิตใจของท่านที่ท่านฝึกอบรมดีแล้วท่านจึงทราบซักปากขันทั้งห้า ไม่ใช่กิเลสตัณหารูปของท่านก็ยังมีอยู่รูปของโลกทั่วไปก็ยังมีอยู่แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยที่จะทําจิตทําใจของท่านให้ไฟฝันเดือดร้อนอยากได้หรือเกียรตสั่งในสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่เสียงก็เหมือนกันมันมีอยู่รูปเสียงมันไม่ขาดจากโลกกลิ่นรถก็เหมือนกันแต่ท่านไม่ติดไม่คล้องไม่ยุ่งไม่เกี่ยว ความสงบของท่านมันไม่เหมือนกันกับเราท่านจึงฝึกจึงสบายให้ทุกการทุกสมัยที่พวกเราไม่อย่างนั้นเห็นอะไรป็ไปยึดไปถือถสาชอบใจก็รักใครกำหนักยินดีถ้าในชอบใจก็อีกแหละตมินินทาอิจฉาขยาบา เป็นไปทำนองนั้นโกรธเียดในสิ่งเหล่านั้นใจเลยไม่ปกติสุขให้พอใจลงไหลใจติดขอ้อหมีท่านถาดของท่านขันของท่านยังมีอยู่ก็เอาอันนี้หละไปสอนโลกพระพุทธเจากก้าคนดีแต่ท่านไม่มีกิเลสตัณหาเพราะท่านชำระถ้าตายไปหมดแล้ว บริสุทธิ์อยู่บางแ่วันตัดรู้จนปรินิพานจะอยู่สถานที่ใดความบริสุทธิ์อันนั้นไม่เคยหายไปแล้วไม่เคยาหาภาชนะแบกหามไปท่านเสด็จไปที่ไหนประทับที่ไหนความบริสุทธิ์ของท่านก็ติดตามไปตลอดเวลา ความอยากของใจที่จะแก้จีเลียตัญหาความอยากของใจที่อยากเรา อ, อยากเห็นดีเด่นกว่านั้นมันไม่มีคือถึงมงคอดีถึงความบริสุทธิ์หนีพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงยุ่งกันอยู่ตลอดเลยละเมื่อไรจะทำละเมื่อไรจะทำให้บริสุทธิ์คนตายไปแล้วทำอะไรได้ไหม สมบัติธาตุฐานคีรีุ่นแสวงหาเห็นใครห่ะหาบขามไปได้ตายไปแล้วเหมือนนื้อแต่เมื่อหนังของตัวเอ็นกระดูกของตัวกดทิ้งเอาไว้ในโลกอันนี้หน้าที่ของตัวจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้นอกจากคนอื่นเขาจะเอามาเผามาฝังแถานั้นถ้าเขาไม่เผาไม่ฝังแล้วก็ทิ้งอยู่นั้นหน้าที่ของมัน เป็นดินมันก็เสื่อมสลายลงไปเป็นดินแล้วแต่เหตุการณ์ของมันถ้าอะไรที่มันแข็งแก่งเช่นกระดูกก่านานวันนานปีก็อาจะสลายแต่เป็นดินได้แต่เนื้อหนังอันนี้ผุพังไปง่ายไม่กี่เดือนมันก็เส like ื่อมสลายลงไปไม่ต้องพูดถึงสมบัติข้างนอกแต่กายของตัว มันก็เอาไปไม่ได้เราจะมาหลงยึดถือแบกหามแบบกูของกูอยู่นี่หรือคนที่หลงมาแบบนี้มันมีเป็นแบบอย่างอยู่แล้วเขาได้อะไรไปเราจะวิเศษมาจากที่ไหนจะขนเรื่องของโลกอันนี้ไปได้ให้ที่เจนาะ ชำระใจของตัวในเหมือวภาวานาตรงถ้าอารมณ์สัญญาถ้าความีิเลตปัญหามันเกิดจะต้องมีทางที่เจนาละถอนมันให้เห็นไระจกในจิตในใจนี่คือการภาวานาต้องมีสติมีปัญญาจึงจะรักษาใจปลอดภัยเ่วนความบริสุทธิ์ได้ ถ้าหากนีเตจีปัญญาเห็นเขาหนังกว่าหนังไปเห็นเขาทำกว่าทำไปแต่ จ, จิตใจมันสายแสไปสู่อะไรเป็นทางแก้ไขจิเลียยตัญหาหรือเป็นทางรวบรวมจิเลียตัญหามาเผาตัวฟองตัวในเสื้ตาพี่เจรนาในธรรมะในรักษาถึงจะอยู่ในป่าทำท่าภาวนาส ง, งบ ก็สงบตัณต์เพียงกายใจในสงบให้ต้องมีสติมีปัญญาที่มิตรเจนาสอบดูจิตใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่เลยชื่อว่าผมมีความเพียนอะไรที่ควรสาระกขอสำละมันไปอะไรที่ควรจะทําให้มันเกิดมันเป็นมันเห็นมันรู้ก็พยายามทํา แต่โอกาสเวลาสถานที่มันเป็นอุปกรณ์สำคัญอันหนึ่งอีกเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสเสด็จออกจากราชวังหรือพระอริยสงฆ์ทุกองค์ดยส่วนใหญ่ท่านก็ไปอยู่ในปา่าท่านจึงชมเหลืองวิเวสว่าเป็นสุขเป็นที่เหมาะสม พระอยู่ในที่สงบไม่มีรูปเสียงนาอยุ่งเกี่ยวเราจะพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาได้จะทำเวลาใดมันก็สะดวกสบายทันจึงสรรเสริญสถานที่สรรเสริญความวิเวกเป็นผนเหตุที่จะทำจิตทำใจให้เกิด ความสุขความสบายวิเวกทางกายก็หาง่ายอีกใดห่างไกลจากชุมชนอยู่ในป่าในเขามันก็พอวิเวกได้หาง่ายแต่วิเวกทางจิตเราจะต้องพิณิตพิจารณา ต้องอบรมศึกษาต้องปฏิบัติในตัวของเราจึงจะวิเวกได้หมายว่ากายวิเวกจิตตวิเวกคือสงบเงักทางจิตใจห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ขาศของความสงบอุปธิวเวกหมดสิน้น ไปจากความยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดีชั่วต่างๆหมดอุปธิจิเลสในจิตในใจกออาศัยตัง้งแต่กายวิเวกเนี่ยขึ้นไปเมื่อไดสถานที่เหมาะดีแล้วรีบเร่งกต่ทำความเพียนที่นิดัิจจรณะนะอารมณ์สัญญาจิเลตัญหา ที่มีอยู่ในใจเอาสติเอาปัญญาขับไล่ออกไปเจนใจได้รับความสงบมีวอนทังหาเป็นเรื่องลบกวนจิตเตาวิเวทุกคนมีในจิตในใจดดวยกันทั้งนั้นผู้ปฏิบัติถ้าในนี้เรื่องเหล่านี้นั่นก็ในมีม้เรื่องปฏิบัติ มันมีเรื่องเหล่านี้มันจึงมีเรื่องปฏิบัติเมื่อมีเรื่องเหล่านี้เราจะพิจารณาหาทางแก้ไขอย่างไรใจมันจึงจะได้ชัยชนะจากกิเลสตันหาส่วนนี้หมั่นพย า, ายามไ่คิดติดตามมีสติมีปัญญารู้จักรักษาแนะสอนตัวเองคําสอนของบุพเทจ่ยมีมาก 8ปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์เหมือนกันกันกบยามี 8, 000, 4, 000นานแปดหมืนสี่พันขันหากเราใหม่มารับทานมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้จะนอนเฝ้าตำหรับตำลาแบบถ่วมที่สะไฟกี่เียดปัญหาตัวไหนมันก็ไม่ตกออกถ้าหากเรามากำหนดในจิตในใจจะเป็นบทสั้นๆนิดๆหน่อยๆกอดตาม รักษาแม่จิตใจฝุ่งฝุงยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ทัญญาอันอื่นให้ใจมันสัมผัสอยู่กับคำบริกรรมของตนเท่านั้นมันก็เย็นให้สบายให้สงบให้นี่คือการประฏิบัติรักษาใจของตัวอย่าไปคิดหยิ่งหนาละอายใจว่าทำมันเป็นของอยากของลำบาก ยากกว่าจริงแต่คุณค่ามันมีมากหากใครประพฤติปฏิบัติจิตใจของตัวได้จิตใจของตัวผ่องใสจิตใจของตัวเยือกเยน็นเห็นไปจากแล้วมันมีความสุขมันมีความประเสริฐคนที่ปฏิบัติได้ถึงคนอื่นจะไม่เลื่อมใสศรัทธาคนอื่น จะดูมินมินทากอตามสำหรับตัวของท่านที่มีอัตมีธรรมบริสุทธินั้นท่านอยู่สุกอยู่สบายของท่านเพราะความสรรเสริญก็ดีความตำมนินินทาก็าดีสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้ถือเป็นลมอันหนึ่งเป็นเสียงอันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งของโลกเท่านั้นแต่จิตใจของ เราผูกบอลล็กสุดไปยึดไปถือหรือไม่ในสิ่งเหล่านั้นจะต้องตรวจตาพิจาตัวเองพอเพราะเรื่องของคนเทโลกมันนี่เหมือนกันท่านจิงว่านี่นาน า, น า, น า, นาจิตตังทงัทง้งทั้งที่ชั่วขนาดไหนเ ข, น า, นขาเหลือ่อมใสศรัทธาเขากอดเสนะเสริญดีขนาดไหนเขาไม่ชอบใจเขาก่อดตำหนิแต่นั้นพพได้เจ้าจึงว่า นัททิโลเกอั น, นันทิตโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันนินทาได้มันสรรเสริญได้แต่ความสรรเสริญ น, นินทาของเขาจิตใจของเรารับไหมถ้าจิตใจของเรารับหรอกมันเป็นพิดเป็นภยัยเขดูหมิ่นนินทากดทิ้ว่าเขา อย่างนั้นเขาอย่างนี้จิตใจของเรายึดในเรื่องคำดูมินินทาของเขาใจของเราก็เดือดร้อนถ้าปล่อยมันไปมันก็ตกไปตามเรื่องของมันลมปากมันเกิดขึ้นมามันก็ดับของมันไปเองเขาพู ด, พดเขาจังไม่เดือดร้อนเราเป็นนักปฏิบัติทําไมไปรับเอาข้อเน่าขอ้อหม็นถ้ามีสติปัญญาทําไม นำเอาไฟมาเผาใจของตัวมันจะมีปัญญาแนะนตัวของตัวอย่างนั้นนี่ไม่มีปัญญาเพราะว่าอะไรก็รับเอารับเอาไม่สาว่ากของเนา่าของเหม็นของดีของชั่วเราต้องทิจิตรพิพจารณาธรรมะประจําจิตประจําใจพุทธศาสนาคือคําสอนของผู้รู้ไม่ใช่ คำสอนของปู่หลงขอ ง, งปู่งกฝึกเพื่ปฏิบัติมีพุท ธ, ธกว่าทำนองเดียวกันท่านรู้ดีชั่วผิดถูกได้เสียท่านจึงทําตัวคลองตัวให้สงบละงับสุกสบายได้นี่พวกเราทั้งหลายฝุ่มุ่งมั่นในการปฏริบัติ รจงนำไปที่นิสสุเจนาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความสบายการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องฝนเสีเวลาเพอยุติเพียงแค่นี้เองัง